สำคัญแต่ไม่รีบเร่งแปลกนะแต่บางอย่างเนี่ยมันรีบเร่งแต่บางทีก็ไม่สําคัญนะท่านผู้ฟังเคยเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยบางอย่างในต้องรีบเร่งรีบด่วนแต่บางทีทําไปแล้วไม่สําคัญก็มีนะเช่นอะไรเออใกล้ๆตัวเราเราโทรศัพท์เนี่ยมันใกล้ตัวเรามากพอมันดังกรี๊งขึ้นมาบอกสัญญาณขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมเราต้องรีบด่วนรีบเร่งจะต้องไปรับแล้ว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 มันส่งผลมาถึงด้านร่างกายด้วยกายเราก็พลอยเครียดไปด้วยบางทีปวดศีรษะมึนศีรษะคลื่นไส้อัดเยียนแน่นหน้าอกอย่าอึดอัดไม่ค่อยสบายตัวเนี่ยเ<ม>ห็นเป็นผลมาจากทางด้านจิตใจใจเนี่ยเเป็นผู้นำพอเขาเครียดขึ้นมาแล้วก็สุขภาพกายก็จะไม่ดีไปด้วย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 ยาแล้วกประสาทกล่อมประสาทเพื่อคลายความเครียดภายในจิตใจซะได้พักผ่อนมากๆพอใจได้พักผ่อนใจก็เป็นปกติก็มีผลทำให้สุขภาพกายเนี่ยดีขึ้นด้วยใจเราเนี่ยสำคัญมากใจเราไม่ต้องการให้ใครมาบังคับแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ก็บังคับใจก็ทำให้ใจมันเคร่งเพียดได้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 ดีใจเสียใจเป็นสุขเป็นทุกข์จิตเราชอบเร่ร่อนไป อ, อารมณ์ประเภทเนี้ยไอเ น, นี้ยเป็นกามภพภพที่เต็มไปด้วยกามคุณอารมณ์กามภพเนี่ยคือภพใหญ่คนก็ชอบไปกันนะชอบไปในทางด้านกามภพเนี่ยมันสุกสนานลื่นเลงมีทั้งเป็นเทวดามีความสุขสนุกสนานแบบเทวดา การมาพบเป็นมนุษย์นี่ก็มีความสุขสแสวงหาความสุขจากการทําบุญจากชื่อเสียงเกียรติยศคําสรรเสริญเยือนยอบางทีก็เผลอหลุดลงไปในอบายภูมิก็มีนะเนี่ยไปโกรธไปเกลียดไปกลัววิตกกังวลเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเกิดจากความโลภเป็นอสุรกายเกิดจากความกลัวเป็นสัตว์เดรัจฉานโง้อหลงงม ง, งาย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 ไปทำกิจให้สงบนิ่งเพ่งฌา น, เ, นเกิดสมาธิเป็นฌานเอารูปเป็นอารมณ์เนี่ยอันนี้เป็นรูปประฌานหรือรูปประพบ เ, เข้าสู่ชั้นพรมและอันนี้เป็นพบน้อยนะคนไม่ค่อยไปกันหรอกเพราะว่าไม่สนุกวิแต่ความสงบนิ่งเงียบแต่พรมเราก็มีความสุขก็ขอยู่ในรูปพระพรมรูปประพบและมีความสุข บางท่า น, นเออมีรูปนี่มันก็ไม่สนุกละมันต้องอาศัยรูปเป็นอารมณ์อยากให้มันละเอียดกว่านี้ <c oughs> ก็อาศัยสิ่งที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์เอาความว่าเพ่งความว่ามีสมาธิจิตเพ่งลงไปที่ความว่าจนจิตเกิดขึ้นเป็นฌานสงบลึกเป็นฌานไม่มีรูปเรียกว่าอารูปฌานเลยไหมคืออรูปปพบ เนี่ยคือพบน้อยคนไม่ค่อยไปกันไม่สนุกแต่พรหมเนี่ยลูร ป, ประพรมเนี่ยเขามีความสุขเนี่ยชีวิตเราเนี่ยกวนเวียนอยู่อย่างนาาเนี้ยสามพบสามภูมิใช่ไหมยังไม่ทันได้ตายนะในแต่ละวันเนี่ยเกิดขึ้นได้บ่อยๆพบคือภาวะสถานที่ที่เกิดของจิตส่วนภูมิเนี่ยเป็นระดับของจิตที่ไปเกิดในพบนั้นก็จึงเรียกว่าพบภูมิพบน้อยพบใหญ่ นี่เราจะปล่อยจิตที่เราเล่ยล่อนไปในอารมณ์ประเภทนี้โดยเฉพาะกามมาภูมิกามาพบจิตเล่ยล่อนไปกรารมาพบเนี่ยมันเหน็ดเหนื่อยคนที่เจริญสติดูจิตเนี่ยจะเข้าใจในส่วนนี้ความสุขสนุสนานก็ทําให้จิตเราเหน็ดเหนื่อยความอึดอัดขัดเคืองไม่สบายใจอันนี้ก็เหน็ดเหนื่อยเหมือนกันบางคนก็ถือว่าเป็นความสุขที่ทำแล้าให้เราโกรธให้เราเครียดให้เราวิตกกังวลบางทีเขาชอบ ทําจิตให้เหนื่เหนื่อยทำจิตให้เป็นทุกข์การเจริญสติเนี่ยเป็นการฝึกฝนจิตใจไม่ให้ตกอยู่ในภพภูมิต่างให้อยู่เหนือภพภูมิอยู่เหนือโล ก, กเขาเรียกโลกุตระภูมิเยเจริญสติเนี่ยไปได้ไกลถึงขนาดนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการฝึกฝนจิตใจให้รู้สึกตัวอยู่กับกายอยู่กับเนื้อกับตัว ไม่ปล่อยให้จิตเล่ร่อนไปอย่างเช่นเราขณะปัจจุบันเนี้ยเราใสา่ความเอาใจใส่สักหน่อยแม้ว่าเรากำลังนอนอยู่เนี่ยเราลองเอาใจใส่กับการนอนดูสิกำลังนั่งกำลังยืนกำลังเดินกำลังทำอะไรอยู่ก็ตามในปัจจุบันนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้เนี่ยกำลังฟังธรรมะเราลองเอาใจใส่กับสิ่งที่เรากำลังทาอยู่การเอาใจใส่เนี่ย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 ว่าเราหลงไปเมื่อไหร่ให้เราคอยรู้ไวทุกครั้งที่มันหลงให้เรารู้ไว้เพราะใจเรามักจะหลงเห็นไ่มมันมักจะหลงบ่อยๆเราจะได้รู้บ่อยๆเนี่ยเป็นแบบฝึกรัดที่ง่ายๆใกล้ๆตัวเลยไม่ต้องไปหาที่ไหนทุกครั้งที่มันหลงเรื่องสติให้เราคอยรู้ไว้เนี่ยได้สติได้ทํากคะแนนรับจิตใ จ, จเราแหละได้ฝึกสติแล้วทำไปเรื่อยๆมันหลงเราก็รู้มันไม่หลงก็รู้สงบก็รู้มันคิดมันง่วงก็คอยรู้เท่านั้นเอง ขอเพียงแค่รู้เบาๆรู้ไปเรื่อยๆเนยรู้แบบคลำคๆแตะแตะอย่าไปจับให้มั่นอย่าไปขั้นให้ตายใจไม่อยากจะเครียดอีกล่ะรู้สบายๆนิ่มๆเบาๆเหมืออยาการจับปลาเนี่ยจับค่อยๆคลาแตะแตะแล้วก็จับได้ถ้าไปจู่โจมจับปั๊บให้อยู่หมัดเนี่ยมันจะหลุดนะค่อยๆคลำแล้วก็จับปั๊บมันจับปลาค่อยๆคลำแตะแตะไปจิตใจเราก็เช่นเดียวกัน เขาไม่ต้องการบังคับต้องค่อยๆประละแต่แต่รู้ๆไปอย่างนั้นจิตก็จะเชื่องไปเองขยันรู้บ่อยๆและความหลงก็จะลดน้อยลงไปเองไม่ยังกับอะไรเอาน้ำใสไล่น้ำคุณเติมน้ำดีไปมากๆน้ำเสียมันก็หมดไปเองใจเราก็เหมือนกันฝึกจเจริญส ต, ติไปมากๆและความหลงในสติก็จะหายไปเอง